อตอนนี้ไปให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งหมดทั้งทีมาเป็นเจ้าภาพบูชากันเทศเพื่ออุทิศกุศลให้แม่เทียมตาพอดีของเราไปทั้งหมดได้พักกันฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนาให้นั่งภาวนาไม่ใช่ฟังเทศธรรมดาให้นั่งเพื่อคําสงบจิตใจนั่งคัดสมาธินั่งภาวนาต้องนั่งคัดสมาธิเอาขาขว า, ขาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายแล้วตั้งกายให้ตรงเทียงตรงแล้วก็หลับตาลับตาแล้วก็ดึงความรู้สึกมาจดจ่อไว้ที่ทรงอกและฟังอยู่ในภายในไม่ให้ส่งกระแสจิตออกไปขังนอกนี่เรียกว่าการตั้งจิตเพื่อให้จิตของเราเข้าสู่ความสงบจิตของคนทั้งหลายนี่ถ้ายังไม่เข้าสู่สความสงบก็ยังรุ่มดอ น, ดอน คือบางครั้งก็ก็ดีบางครั้งก็ไม่ได้ความแล้วแต่อารมณ์มากระทบถ้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นเป็นฝ่ายที่ดีก็เจอกว่าใจดีตรงกันข้ามถ้ามากระทบกับอารมณ์ที่ไม่ได้ความใจหงดเกิียนกวนงานเมื่อใจมันงดเกิียนกวนงานอย่างนั้นมันก็เป่งออกมาทางวาจา พูดวาจาก็ไม่พอเลาสะเสาะโนด ห, หูอะไรทั้งนั้นะแม้การกระทำก็ตึงตังแสดงออกมาจากภายในเนื้อมาภายนอกเป็นเครื่องปรากฏ <c oughs> หลักนี้เองที่พุทธิย่อทรงสอนให้แต่ละคนละคนนั้นปรับใจตัวเองให้มันเข้าแม่บทคือให้ให้มีศีลธรรมเกิดขึ้นภายใน สำหรับศีลธรรมภายนอกจากว่าศีลห้าที่เราว่าไปนี่มันเป็นแม่บทที่มีอยู่แล้วเราสมาทานไปแล้วจะถือว่าเราเรามีศีลอย่างไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่ารู้จกักศีลแล้วจะจ ะ, จะรักษาศีลเท่านั้ น, นจะชื่อว่ามีศีลอย่างไม่ได้ถ้าใจยังไม่สงบและศีลภายในมันยังไม่เกิดต้องใจสงบเข้าสู่ดวงู้หรือเข้าสู่สมาธิสก่อน เห็นก็จะเกิดพระพุทธก็เกิดพระธรรมก็เกิดพระสงฆ์ก็เกิดในนั้นหมดที่ถ้าบคุคคลใดมันมีวิบากกรรมอันใดหนึ่งที่ได้เสวยอยู่พอได้ใจใจได้รับส ง, งบบางตัง้งต้งตนทนานะจริงๆแล้วนั้นจะหายขาดไปหมดเลย้ลก็ปรับตัวได้ใหม่แลียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาใหม่มันคืออยู่ที่การแก้ใจ <c oughs> เรียกว่า สะดอข้อสะดอน้ำนั่นนะที่ถูกต้องสะเนาะให้มันหมดนั่นต้องสะดาะที่ใจเพราะว่ากรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายที่ได้สั่งสมที่ได้ทํามามันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเราจะไปแก้ข้างนอกไม่ได้ต้องแก้ที่ใจอย่างพระผู้ทําความชั่วในครั้งพุทธการจากพระอังคุลมานเป็นต้น แต่ทำความช่วถึงข่ามนุษย์ถึงสี่ร้อยกว่าเกือบถึงห้าร้อยยังเหลือคนเดียวพระพุทธเจ้ า, าจไปโปรดให้ภาวนาสอนให้ท่านภาวนาให้ใจสงบเป็นสมาธิเมื่อใจท่านสงบเป็นสมาธิถึงขนาดบรรลุมรรคผลเป็นพาลานันกรรมทางหลายที่ได้สร้างไปก็หลุดไปหมดไม่สามารถที่จะตามให้ในจิตของพระอังคลิมาได้ อันนี้เป็นตัวอย่างในการแก้กรรมถ้าเราจะแก้เวรแก้กรรมสิ่งที่ไม่ดีนะต้องแก้ที่ใจของเราทุกคนที่จะแก้ได้เขาจะไม่ต้องฝึกหัดสร้างสติสักก่อน <c oughs> โบราณท่านสอนให้เราภาวนาพุทธโธธรมโมสังโฆก่อนนอนกากพาไหวพาเสร็จสับโลก น, นั่งคัดสมาต์หลับตาแล้วก็เอาพุทธโธมาไวท้ที่เรานึกว่าพุทธโธเอาพุทธโธมาไว้ที่จุด สงกเอาลิ้นปีนเป็นรี้นหมายดึงเข้ามาประคองเข้ามาไปเรื่ลยๆแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอามันจนเหนื่อยถา้ามันเหนื่อยเราก็หยุดทรักษาพุทโธคนนี้รักษาพุทโธก็คือรักษาความรู้สึกของเราที่ที่มีความรู้สึกหยุ่นให้มันรู้อยู่ในจุดเดียว น, ะยนั้นแต่ละคนละคน ม, มัมีตัวพุทโธอยู่ไนนั้นทั้งหมดละ แต่พวกเราไม่เข้าไปหาพุโทโธเอาแต่พุโทโธนอกหาในเรื่องข้างนอกพุโทโธมันอยู่ในตัวของเราทุกคนคือธาตุรู้คือใจของเราทุกคน น, นั่นเองไม่ใช่อื่นกายในใพุโทโธภายนอกหรือว่าพระพุทธเจ้า้เราสร้างเราทําพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติเกิดขึ้นในตรัสรู้ก็เข้าถึงพุโทโธเหมือนกันเรียกว่าสัมมาสัมพุโทโธคือเข้าถึงดวงรู้ของพระอง โดยพระ อ, องค์ทำสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วพระ อ, องค์ก็ใจของพระองค์ก็สงบเข้าถึงพุทโธเข้าถึงธาตุรู้เข้าแต่เรียกว่าสัมมาสมมโพธเพราะว่าพระ อ, องค์ค้นพบโดวิธีการปฏิบัติเข้าถึงด้วยตัวเองไม่มีใครบอกไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนพ อ, องค้นพบด้วยพร อ, องค์เองเมื่อพ อ, องรู้ตามความเป็นจริงและรู้จักวิธีปฏิบัติอย่างนี้นจึงนำไปสอนคนอื่น ให้คนอื่นปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพุทโธเหมือนกันอยากไป ส, สอ น, นพระ จ, จันร์ปัญจาวัคคีย์ทงห้าเป็นอันดับแรกให้ท่านเหล่านั้นเข้าถึงพุทโธเมือนเข้าถึงพุทโธแล้วถ้าก็กาจัดอาสกิเลจจากใจเพื่อเข้าถึงตัวพุทโธแล้วมันเป็นตัวชัดเจนนระิสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายมันจะเข้าถึงตัวพุทโธไม่ได้เราเคยได้ยินในฟัง ที่ท่านพัลนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณว่าสามารถกําจัดภัยพิบัติอะไรต่างๆได้หมดไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้กับพุทธโธได้อ่างั้นนี่ถ้าเราถือผิวเผินเพืเ่อไว้อ้อนวอนนว่าพุทธโธธทำโมสังโคอยู่อยู่แต่ภายนอกมิแต่ว่าแต่ว่าใจมันยังไม่มียังไม่เข้าถึงพุทธโธแล้วก็ยังกําจัดทุกกํำจัดภัยอะไรไม่ได้ทางนั้น จะอ่อนวอนขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะกาจัดได้เพราะว่าเราไม่มีพุทธโธเราไม่เข้าถึงพุทธโธต้องพุทธโธของเราด้วยนี่เราจะไปเอาแต่พุทธโธของพระพุทธเจ้าเราต้องถึงพุทธโธของเราด้วยเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิาได้เบื้องต้นเท่านั้นจิตใจของเราเข้าถึงวุฒธรรมประสงค์เรียบร้อยบริบูรณ์ เรียวกว่าเป็นคนมีธรรมมีศีลธรรมแล้วครับเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่รักษาธรรมแต่มันเป็นของที่มีเรื่องการมีธรรมนี้คนผู้ไม่มีได้รับการศึกษาอะไรเลยไม่ได้เรียนรู้ธรรมะธรโมูอะไรเลยหรือทางนกก็ไม่เรียนรู้บางคนอ่านหนังสือก็อ่านออกให้ภาวนาพุทโธเพีงจะสงบเท่านั้น ก็มีสิทมีธรรมบริบูรณ์โดยอย่ง เ, เพียงคน ท, ที่ไม่รู้แต่ว่ามันรู้ข้างไหนไองพระพุทธเจ้าตรัสทมคำสอนไว้เป็นหลักว่าบุคคลใดมีจิตใ จ, จที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดแล้วเห็นผิดจากทํานองคองธรรมเป็นต้นแบบว่าให้ทานไม่ได้บุญ รักษาศีลไม่ได้บุญประกอบคุณงามความดีทั้งนั้นไม่ได้บุญทําบาปก็ไม่ได้บาปเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเช่นนั้นท่านว่าผู้มีความเห็นผิดถึงขนาดนั้นใจเห็นผิดขนาดนั้นแล้วมันยิ่งกว่าโจรที่ทําลายโจรหรือทําลายคนมีเวรกับคนมีเวรทําลายกัน ทำหันกันบุคคลผู้มีโจรกับโจรหรือฝ่ายที่เป็นเวรกับเปนเวรมันห้ามหันมันฆ่ามันทำลายกันมันก็ทำลายเฉพาะชาติเดียวเท่านั้นแต่ว่าบุคคลผู้มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะทำลายบุคคลนั้นหลายอเนกาชาตินะักไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากว่าไม่แก้ความเห็นผิดกันเสีย ถ้าแก้ความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกต้องได้เบื่อใดท่านในว่าสะมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบเห็นที่ถูกต้องว่าทาบุญได้บุญทาบาปได้บุญบาป อ, นนอันนี้อยอะๆ <c oughs> ว่าให้ทานมีผลรักษาศีลมีผลเจริญภาวนามีผลอันนี้เพียงจะเชื่อบางตนทีนี้จะให้เชื่อแนวเนี้ ย, ยก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติเอง ให้ใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิเบื้องต้นแล้วเมื่อใดความเชื่อแ น, ว, นวในพระธรรมคําสอนของพระพุทเจ้าก็มีขึ้นนี่คือหลักคําสอนที่พระพุทเจ้าสอนให้เราให้เปิดความเห็นถูกต้องเมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดเป็นการแก้เวรแก้กรรมทั้งหลายที่มีในจิตใจนั้นออกให้หมดพราขว่ากรรมนี่ว่ากรรมดีบ้ากรรมดีก่อน กรรมดีทั้งหลายที่จะสร้างอดีตมามันส่งผลแต่ละคนละคนนั้นให้ก็เกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วเป็นมนุษย์พร้อมบริบูรณ์ด้วยอวัยวะทุกส่วนแล้วบุญกุศลนั้นมันไม่ยังยังไม่หมดมันยังอยู่ที่ใจนั้นคือส่วนหนึ่งก็ให้ผลให้ที่รูปร่างกายแล้วสร้างรูปร่างกายสร้างฐานตระกูลยังว่าทานให้ผลคือให้โภคา ให้มาเกิดในฐานะตระกูลของพ่อแม่ที่ดีของพ่อแม่ที่ผมพร้อมด้วยครับทรัพย์และโปรคาร์าสีนั้นให้ผลคือสร้างรูปร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงให้มีไว้วะทุกส่วนมีแต่คุณภาพคือผมก็ดีขนก็นดีเล็บฟันหนังมันล้วนแต่บริบูรณ์ทั้งนั้นนะเรียกว่าอวัยวะร่างกายนะไม่มีโรคภยัยแค่จะบำบีดเบียนทางนั้น นั่นเรียกว่าบุญสร้างมาดีศีลได้สร้างมาดีรูปร่างกายยึงได้รูปสมบัติคนนั้นได้ดูสมบัติอันนี้ไม่เป็นผลให้มาแล้วแต่ผลที่บุญที่ที่ได้สร้างมายัางเหลือคือเหลืออยู่ที่จิตใจจึงแล้วบุญนั้นกับอุปธรรมร่างกายบุคคลนั้นให้เี่ยอยู่ยืนเรียกว่าอยู่ด้วยบุญบางครั้งบางคราวเราแต่เดียินได้ฟังว่าคนที่ตายไปเรียกว่าคนหมดบุญแล้ว ไมมีบุญที่จะอุปถัมม์อยู่ก็เลยหมดก็ต้องตายหมดบุญหมดอายุอยู่ทั่วอายุเขาเขามีแค่นั้นบุญมาแค่นั้นหมดแค่นั้นก็พอบุญอย่างอุปถัมม์อยู่ก็ต้องอยังอยู่ไม่เป็นไรแล้วแต่คนหมดบุญแล้วจะเกิดคุณอย่างใดอย่างใดมันกน็มันสามารถที่จะอยู่ได้บางคนเกิดอุปติเหตุ เกิดโรคนึกนักเกึดนักก็เหมือนคล้ายๆกับจอหัอใจล้มเหลวหนึ่งถึงมันไม่ถึงข่าวที่จะตายปุ๊บปันบอะไก็มันก็พร้อมมีตัวอย่างอมีคนบางคนที่เป็นอย่างนั้นเอ้าเป็นอาการอย่างนั้นก็รีบส่งโรงพยาบาลเอ้ายังก็พร้อมอ่ามีรถมีลาก็พร้อมไอ้คนที่จะขับรถก็พร้อมเอาคนนั้นใส่รถไปก็ถึงหมอถึงมือหมอหมอก็ช่วยได้หมอก็เออถ้าว่า ช้าอีกสักสีห้านาทีคงไม่ไหวแล้วอง น, นี้เป็นตน้นอันนั้นก็เพราะว่ากรรมดีเนะอย่างอุปธรรมอะไรมันจึงพร้อมจึงสามารถช่วยชีวิตหมอก็ช่วยชีวิตคนไข้นั้นได้แต่ว่าตรงกันข้ามตัวบุคคลเป็นอาการเช่นเดียวกันอะไรอาจะจะรีบเอานองงําส่งโรงพยาบาลอะไรก็ไม่พร้อมคนนั้นก็ไม่อยู่คนนี้ก็ไม่อยู่รถก็ไม่มี บางทีสายรถไปแล้วไปหาหมอก็ไม่เจอหมอเขาอีกก็เลยขุกขักอย่างนั้นผลสุดท้ายก็แล้วหมดลมไกปนะมันถึงขาวถึงเวลาที่มันจะไปอย่างนั้นอะไรอะไรก็ช่วยไม่ได้มันขัดข้องไปหมดแต่ไม่ยังไม่ถึงวาลาแห่งบุญกุศลยังไม่สิทธสิ้นมันก็รักษาประถมบุคคลนั้นไว้ไม่ให้ตายแล้วจะต้องเป็นอยู่ได้ บางคนอุสาคนขึ้นรถลงเรือไปแต่ตามเขาอลถความคนอื่นเขาตายหมดยังเหลือแต่คนนึงคนเดียวนี่เป็นต้นหรือตัวอย่างเช่นข่าวหนึ่งที่เครื่องบินหนึ่งตกหมู่ภาพอาจารย์วันอะไรย่งก็เป็คนประหลาภาพกันหมดยังเหลือคนหนึ่งจะเป็นนายอำเภอหรือพลหลานมือรคนนั้นไม่ตาย คนหนึ่งเขาตายหมดเลยังเหลือแต่แก่คนเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นคือบุญอุปัตธ ร, รมค้ำจูนรักษาไว้ไม่แหกตายในเมือ่อมันเป็นเช่นนั้นดนะิพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนพวกเราให้พีนะ่เจริญมาถึงความเป็นอยู่ของเราแต่ละคนแล้ก็เรียกว่าอาศัยกรรมเรียกว่าบุญกรรมก็แล้วก้นอุปัตธ ร, รมค้ำจูนไว้ให้เป็นอยู่แล้วบางอย่าง ก็ั้งมีบาปเป็นเครื่องอุปธรรมอีกไม่ให้ตายให้ทุกทรมานอยู่นั้นมันจะตายมันก็ไม่ตายบางคนน่ะเป็นโครคไข้ไข้เจ็บท ร, ทรมานอย่างนั้นจะมันจะตายอยากจะตายเต็มทีแล้วก็เมือมันก็ไม่ตายสักที น, นี่เป็นต้นเรียกว่าบาปอุปธรรมเพื่อให้ทรมานตัวเองอยู่นั้นให้ลําบากอย่างนั้นผลสุดท้ายลําบากทั้งผู้ที่เป็นไข้เลยป่วยน <c oughs> ั้นลำบากทั้งลกูกหลานลําบากทั้งผู้ดูแลอุปธรรมนั้นด้วย บางคนถึงตัดสินใจผูกคอตายบ้างยิงตัวตายบ้างอันนี้ก็เพราะว่ากรรมอันนั้นๆมันเสนองใน จ, ใจิตใจให้ทําเช่นนั้นแล้วจะไปห้ามไม่ได้ห้ามกรรมทั้งหลายกรรมนั้นมีนมกําลังแรงหรือเก่นเราจะไปคํานึงถึงกรรมต่างๆที่มันมีมันเป็นนั้นมาว่ามันมีกําลังได้อย่างใดยากมาก ไปคิดวิณิชัยหาเหตุแล้วพุทธเจ้าว่ามันเป็นอาจินไตเราจะไปคิดหาเหตุหาผลในสิ่ง น, นั้นได้จะยกตัวอย่างสักสองตัวอย่างมาให้ฟังคือในครั้งพระพุทธการสมัยที่พุทธเจ้าของเรารทรงพระชนอยู่ยมีพิกูุ7เจ็ดรูปด้วยกันแล้วกันไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าได้ดวงได้รับข่าวหนึ่ง ที่สู่เจ็ดรูปนะพากันไปพักที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดนั้นมันเรียกว่าวัดธรรมก็อยู่ใกลๆ้ๆนี่กว่าใกล้บ้านเป็นวัดพอท่านไปที่นั่นก็พวกวพระเจ้าวาดก็เลยนิมนต์ท่านให้ไปพักหน่อยครับพอดีในถ้ำนั้นก็มีเตียงนอนเลยถึงเจ็ดเตียงท่านเหล่านั้นก็ได้คนละเตียงละเตียงนอนในถ้าแล้วเข้าไปข้างใน ทำนันก็มีประตูเข้าประตูเดียวเท่านั้นแหละทางเงินไม่มีทางออกอะ่ะพาทั้งเจดอง น, นเข้าจําวัดในนั้นพอตอนค้าข้ามมาเท่านั้นแหละหวก้อนหินก้อนใหญ่ๆซึ่งมันอยู่ใกล้ๆเท่าเรือนนี่แบบนั้นกรี๊งตกลงมาเปิดประตูทําอึบไม่มีทางออกพาเจดลูกที่อยู่ใน ในถ้านั้นก็ไม่สามารถที่จะออกได้ทีนี้เจ้าวาดก็รู้ว่าเออเห็นก้อนใหญ่นั้นมันมาทับประตูถ้ำเสียแล้วเอาเราช่วยกันชุดหินก้อนนี้ออกจากประตูถ้ำเกณฑ์ชาวบ้านสามหมู่บา้านช่วยกันเอาลวดเอาเอาเชือกเอาแยางมามัดที่จะดึงหินออกเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันถึงหกวันวันละเท ก็ไม่สามารถที่จะฉุดหินนั้นออกจากประตูถ้ำได้แต่ถึงวันที่เจ็ดหินมันก็เลยกลิ้งออกไปเองมันไม่มีใครชุดทั้งนั้ น, นกลิ้งออกทิศท้งกเกศลงเรื่องก่อกันออกมาอย่างพร้อมโสดก็ไม่ได้บริโภคอาหารถึง7็ดวันแล้วทั้งหลายเรานั้นก็สังเวชสลดใจโอ้ยพวกเรานะมันมีเวรมีกรรมจึงรับอย่างนี้ คนผู้อื่นไม่สามารถที่จะรู้วิาบากกรรมของเราอดีตได้เป็นยังไงเรคาควรจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าดีกว่าอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแต่ทีนี้มีตัวอย่างที่สองอีกว่ามีพ่อค้าพากันนําเรือลงมหาสมุทร นำไปพอถึงกลางสมุทรท่นานละ่ะเรือมันไม่เคลื่อนที่ทีนี่นจะทํายังไงจะถอดจะพายจะอะไรต่างๆเพราะสมัยโบราณนะก็ใช้เรือใบเปิดใบอย่างมันก็ไม่ไปทํายังไงมันก็ไม่ไปทั้งเคลื่อนที่เขาก็มาตกของเอ๋อาจจะเป็นคนกาลกณนีอยู่ในนี้ก็แล้วจกฉลาดจับฉลากรแล้วกันถ้าพูดได้ถูกฉลากนั้นก็จะไม่ต้องรับกรรมแล้วเขากเขียนฉลาก ถ้ามันพูดไดเขาก็เขียนชื่อผู้ใ ด, ดเป็นโกกกาลกาันนีเขาก็เป็นเครื่องหมายไว้ให้จับฉลากทุกๆคนในเรือนั้นว่าจับฉลากที่ไหนก็ไปถูกเมียในเรือทุกทีเมื่อเมียในเรือนะั้นกาลังเป็นสาวยังมียอายุอ่อนๆเพิ่งก็แต่งงานกันใหม่ๆท่านละล่ะเอาทั้งนั้นจับอีกครั้งหนึ่งจับครั้งที่สองก็ไปถูกคนเดียวกันนั่นแหละ เอาอีกหมจับครั้งที่สามก็ไปถูกเมียในเรือเข้าอีกครั้งเมียในเรือก็ไม่รู้ว่าสามจะทำยังไงบอกว่าเอาละถ้ามันจาเป็นอย่งก็เอาจับมันถ่วงน้ำไปช่วดเคนโยนลงในน้ำเลยแต่ว่าไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนนี้มันโผล่ขึ้นมาได้ให้เอากระออมใส่ทรายก็แล้วกันผูกคอไว้ก็จับโยนลงไปในน้ำ เขาก็ทำอย่างนั้นโยนมุมจมลงในน้ำปิ๊บเดียวเลยตายพิสูจน์มีพิสูุนเจ็ดรูปเอาสามสิบรูปโดยสารเหลือไปที่นั่นเหมือนกันก็ไปเห็นเหตุการณ์อันนั้นก็เกิดสังเวชใจบอกว่าเอพูดที่จะรู้เวรกรรมของผู้หญิงคนนี้ก่อนเพราะพุทธเจ้าท่านั้นเราจะต้องไปเฝ้าพุทธเจ้าเ็าตั้งใจจะไปเฝ้าพุทธเจ้า มีพวกที่สองและยังมีพวกที่สามอีกคือพิสูจน์ทางหลายไปฉันอาหารมินทบาทในบ้านชาวบ้านบ้านแห่งหนึ่งเขานิมนต์พระไปฉันมินทบาทในนั้นเขากำลังจะฉันตอนเช้ากนะ็าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งทำอาหารบ้านใกล้ๆ ก, ก, กันนั่นแหละทำอาหารทำอะไรไม่ดีไฟถูกไฟไหม้บ้าน ไฟของจะเป็นไฟเรือนยามุงยาพอไฟไหม้บ้านท่าน้ำเรียกว่ามีสเสวียนยาอันหนึง่งเปลวขึ้นไปเป็นไฟแดงโลอยู่ในอากาศมีกาตัวหนึ่งบินบินมาแต่ที่ไหนเมื่อเาเอาคอบสวมเข้าไปในเสวียนยานะี่ยไฟไหม้คอกตายตกลงทิ่สูตททางหลายเห็นอาการเช่นนั้นก็เกิดสรดสังเวชใจบอกก็อ้อ พวกเราที่ต้องรู้เวรกรรมของกาตัวนี้ว่าเป็นเช่นใดเมื่อภิสูจน์สองพ ว, พวกที่หนึ่งที่สองและที่สามไปเจอกันก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันที่วัดเจตวันพวกที่หนึ่งที่ไปเข้าไปในถ้ำแล้วก่อนเห็นมันกิ่งมาทับประตูถ้ำ มีกํำลังแรงเมื่อก้อนหินใหญ่ๆนะมันกลงมาเองกิ้งมาเองเวลามันจะออกมันก็ออกเองไม่มีใครไปดึงมันมันออกเองชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้า น, นก็มาช่วยกันดึงมันก็ไม่สามารถที่จะเอาออกได้แรงของคนยังสู้แรงกรรมไม่ได้มันหมุนไปเองเมื่อสามพวกนั้นเข้าไปเฝ้าผู้ที่เจ้าก็ทูถามผู้ที่เจ้าก็พยากรณ์ตามลาดับว่าไอ้ที่พวกเธอเจ็ด องที่ไปอยู่ในถ้ำแล้วถูกหินกลิ้งมาทับถ้ำนั้นก็เพราะว่าชาติก่อนนู้นมูเธอทั้งหลายเป็นเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนแต่ละวันละวันก็ต้อนโคไปหา ก, ากินหญ้าวันนี้เอาไปทางนี้ทางใต้วันนี้เอาไปทางเหนือวันนี้ไปทางร้านมันตกนี่ไปทางที่ตาวอนออกทุกหวานวันหนึ่ง ไปทางด้านใต้ใต้หมู่บ้านเนี่ยก็พอดีไปเห็นเฮียตัวหนึ่งมันวิ่งผ่านไปหมู่เด็กทั้งนั้นก็พากันไล่ตามเฮียเฮียตัวนั้นทวนตัวเขูวิ่งเข้าในกรูจอมปลวกเด็กทั้งหลายเหล่านั้นก็พา ก, กันบอกว่าเออเอาเก็เอาเเอาโขไม้ฟดไม้โขยานมาปิดรูไว้ปิดรูจอมปลวกไว้ พอปิดไว้เราบว่าไอ้วันนี้เราไม่สามารถจะเอาได้วันหน้าก่อนเถอะปิดไว้แค่นี้ก่อนพอเอาฟดย่าปิดรูไว้เสร็จสรรแล้วก็ไปวันต่อมาแทนที่จะมาต้อนโคมาเลี้ยงที่เก่านะึงกลับไปทางอื่นอืวนเวียนไปอยู่นนจนถึงวันที่เจ็ดจึงย้อนมาที่เก่าจึงมานึกพอเห็นจอมป้กก็นึกแต่โอกโ้เรปิดรูเฮี้ยไว้ตรงนี้อเฮียตัวนั้นเป็นยังไงนาะ เอาช่วยกรเปิดดูพอเปิดพดยาออกทางเฮียตัวมันมันผอมโซโลเลยเกินมันอะไม่อะไรในชีวิตก็ขานตัวมเตี่ยมตัวมเตี่ยมตัวมเตียมออกมาเด็กทั้งหลายก็เกิดสงสารเฮียตัวนั้นโอ้มันผอมโซลเลยเกินไม่เหมือนพวกไรหัเราจะฆ่ากันเถอะมันเถอะเราปล่อยมันเสเลยก็เลยปล่อยนะบอกรูปหลังมัอาไปพ่อหลวงหาเดินไปเถอะ อย่ามีภัยอันตรายแล้วพวกเราไม่ฆ่าเธอแล้วเราสงสารเธอปล่อยนี่พวกเจียาก็พยายาก่อนกรรมนั่นกรรมของพวกเธอเพราะไปปิดกลูเฮียให้เฮียอดาหารถึงเจ็ดวันพวกเธอจึงได้รับกรรมอันนั้นแต่ไม่ได้ตกตะลกเพราะไม่ได้ฆ่าเฮียถ้าฆ่าเฮียแล้วจะตกตะลกว่าั้นแต่ว่าแต่ละชาติละชาติห้าร้ยชาติด้วยซ้าไป ผู้เธอนั้นจะต้องอดอาหารทั้งเจ็ดวันเจ็ดวันแต่ละชาติละชาตินั้นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติห้าร้อยที่พวกเธอได้อดอาหารเป็นเหตุให้พิสูจนเจ็ดรูปนั้นเกิดโสดสังเวทใจก็เลยได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์แบบนั้นอันนี้ตัวอย่างอันที่สองทีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งถูก เอากระออมมัดใส่ซาแล้วผูกคอแล้ว่วงน้ำนั่นพอดีจาก็พยากรณ์ว่าผู้หญิงคนนั้นแต่ชาติก่อนนู้นได้ทำกรรมไม่ดีงามกับสุนัขหรือหมานั่นเองว่าหมาตัวหนึ่งนั้นผู้หญิงคนนั้นจะไปที่ไหนมันก็ตามจะไปบ้านก็ตามจะไปป่าก็ตามติดตาม ผู้หญิงคนนั้นไปทีนี้เมือ่อผ่านบ้านไปไอ้หนุ่มทั้งหลายไม่เห็นหมาตามหลังผู้หญิงบอกเอ้ยผ่านเนื้อผานหมาเขาป่าแล้วว้ยวันนี้เราจะต้องกินอานกันผู้หญิงคนนั้นก็อยัยก็เอาไม้ไม้แส้ไม้ค้อนไล่ตีหมาหมาก็วิ่งกลับไปพอผู้หญิงไปมันก็ตามทีอีกติดตามอยู่ไหนว่าหมาตัวนั้นมันเคยเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นมีนความรักความผูกพันในผู้หญิงคนนั้นมันก็ ต้องในผู้หญิงคนนั้นแกไปที่ไหนไหนก็ต้องตามผู้หญิงคนนั้นไปผู้หญิงคนนําก็โกรธโกรธหมาตัวนั้นบอกว่าเอาถ้ามึงจะตามกูไปขนาดไหนกูก็จัดการมึงมาไงแกก็เอาทําอย่างที่เขาแก่ทําแกน่นล่ละแกก็กเอาเชือกมาแล้วเอากระอมมาด้วยพอแกไปใกล้ๆของน้ําแล้วก็เคเรียกหมา เด็กป่าเรียกมันหนะมาก็มาคิด เ, ออเราไม่ได้คำดีงามมานานแล้วเมื่อพึงได้คำดีงามมันนี้ก็เอาเชือก่อหุกคอหมาแล้วก็เ อ, อ, อาเชือกอเงินหนึ่งมัดกระออมแล้วใส่สายส่แล้วก็ผักหมานะิ้งลงไปอคอหมาก็จมไปตามน้ำตายากรรมอันนั้นจึงเป็นเหตุให้สนองนำผู้หญิงไว้ตกนลก กรโลกเลล้วก็มาเป็นเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังจะต้องรับกรรมนั้นห้าร้อยชาติเหมือนกันนยกรรมอันนั้นมันเป็นสิ่งที่แรงมากทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่สองทีตัวอย่างที่สามอีกที่ว่ากามันเอาคอสอดเข้าไปเสเวนญ่าถูกไฟไหม้คลอกตายริจา ก, ก็พยากรณ์ว่าอิงคาตัวนั้นนะ เมื่อก่อนนั้นมันเป็นชาวนา <c oughs> เป็นชาวนาแเพียพยายามที่จะฝึกโคตัวหนึ่งใส่ไถไอ้โคตัวนั้นนั่นะมันเดินไปนอนๆมันก็บนอนไม่ยอมเดินไปอีกชนะคนนั้นก็แท้เขี้ยนแค่ตีอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมลุกแกก็โกรธมากเพราะโคตัวนั้นไม่มันไม่ทำงานให้แก ก็เลยโขดใหมันบอกเอามึงนอนอยู่ตรงนี้เถอะมืองกูจะลุกจากสิ่งที่พึ่งทําแก่มึงแกก็ไปเอาฟางข้าวนะมาถมตัวนะ่ะมิดแล้วก็ไฟเผานะ่ยโคตัวนะั่นก็ถูกไฟคอกตายอยู่ตรงนั้น น, ะนั่นกรรมของแกนะแกตกนรกแล้วก็มาเป็นกาถึงห้าร้อยชาติอีกนนะเหมือนกันนะยิ่งเมื่อไหร่ก็ถูกไฟไหม้ไฟคอกตายอย่างนั้น น, ะนี่คือแรงกรรม อาตัวอย่างสามอย่างนี้ให้ฟังคือนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนทําด้วยอํานาจแห่งความโกรธทาเพื่อจะทําให้มันสมใจนั่นละ่ะอย่างว่าโกรธให้ในายโคบาลชาวนาที่มันโกรธให้ควายควายไม่ไม่ทํางานให้มัน ท, ทั้งทั้งที่มันมันเหนื่อยหอบเติมทีแล้วคนพิจารณ์มันพักผ่อนเมื่อทําไปไ ป, ไปมันมันเหนื่อยมันก็นอนเอาอันนี้ไม่ยอม ให้มันพักผ่อนเลยเหมือนมันไม่ทำงานเลยเขาโกรธให้มันใหญ่ก็ทำตามน้าเห็นความโกรธตัวเองเอาควาง ม, มาผอมตัวโว้แล้วก็เผาให้มันตายสมใจตัวเองทีนี้ผลที่ตัวเองทำอย่างนั้นมันก็สทรพรมาให้ตัวเองรับให้ตัวเองได้ <c oughs> ส่วนผู้หญิงที่โกรธให้หมานะ่ก็เหมือนกันเรียกว่าทำด้วยความแค้นด้วยความเจ็บใจ เอาของออมผูกคอหมาใส่ส า, าแล้วก็ผักลงไปในน้ำตัวเองก็ได้รับอย่างนั้นเรียกว่ามันเป็นกรรมตามสนองทั้งเดียวเป็นเวนรคือเป็นปนานาธิบาศ น, น, นะมันเป็นเวรส่วนอเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนไม่ได้ทําด้วยอกักด้วยความกดแต่ว่าทําด้วยความโลภไปทําเพื่อเอาเป็นอาหารการกินนั่นแหละแต่ไม่ได้ฆ่าโดยโดยตรง ไปทรมานสัตว์แต่มันก็ก็เลยทําให้ตัวเองได้รับผลเหมือนกันแต่ไม่ถึงตุกนรกแต่ราชอาชา ต, ชาตก็ตัวเองเป็นมาต้องอดข้าวชาติละเจ็ดวันเจ็ดวันถึงห้าร้อชาติฉะนั้นพวกเราผู้มาเกิดในพุทธศาสนาพบพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่ต้องพี่นาถึงว่ากรรมดีกรรมชั่วทุกชนิดที่เรากระทาไปแล้วนะี้ ไม่ใช่เป็นของที่จะต้องสูญหายคือทำไปแล้วทำลงไปแล้วนะมันจะหมดสิ้นไปนันนะไม่มีเรามันต้องได้รับผลมัดผมกันนานนั้นมันแต่มันสับปรับกัน บ, บางครั้งกำลังทำความดีทำความดีกำลังให้ท่านรักษา <c oughs> เช้นเจริญภาวนา <c oughs> เอาอย่างนี้ตอนอายุ น้อยๆหนุ่มๆ น, ม น, มนะทำทุกอย่างที่เป็นบาปก็ยังจะต้องเสวยกรรมนั้นต่อไปคือวางครั้งต้องแทนที่จะรับมืนบางทีนี่นึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนเองกระทาในขณะที่มีอายุนี้ตายไปแล้วก็ไปสวรรค์หรือไปสู่มาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับผลวิบากกรรมที่ตัวองกระทํานั้นหือรับผลบุญก่อน เมื่อหมดผลบุญแล้วมันได้เอาทีลนะบาป ก, กรรมที่ทํานะมันเอาละทีนะี้บางทีนะั่นได้รับผลบุญในขนาดที่มีอายุหนุ่มแน่นอายุกลางคนถึงห้าสิบปีทีนี้ผ่านพ้นจากอายุห้าสิบปีเอาเหล่ามิบากผลกรรมทั้งหลังมันให้ได้ทีนะี้มันเผาละทีนะี้มันเป็นอย่างนั้นพระเดจาวสอนบา ก, กรรมทั้งหลายที่ได้ทําได้ประกอบเลยนะ ต้องระวังให้ดีต้องเป็นแต่กรรมที่ดีที่งามนั้นๆอย่าไปสร้างสิ่งที่ดีไม่ไม่ดีงามมันเป็นของเราไม่ใช่เป็นของคนอื่นแม้เราจะทําในที่ลับอย่างใดๆคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นนั่นแหละแต่ว่าเรามันเป็นผู้หู้ผู้เห็นเราจะปกปิดตัวเราไม่ได้สมมติว่าเราไปทำปาณาติบาตไปฆ่ามนุษย์ก็แล้ว ตอนเล่ไม่ใหใครรู้หรือสั่งพูดใดคนหนึ่งไปฆ่าแทนเราคนหนึ่งเขาไม่รู้เขาจับไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวเองที่รู้ทุกอย่างที่สั่งที่ทำอย่างนั้นอันนั้นน่ะมันตามสนมันติดไปในจิตใจของบุคคลนั้นสั่งสมไว้ที่จ่ายนั้นถ้าไม่แก้ที่จยแล้วมันก็ไม่หลุดละที้งดังนั้นหลักทางพุทธศาสนาพระที่เจ้าอ ย, ยู่สอน ให้ภาวนาเพื่อจะแก้จิตใจแก้กรรมแก้วเวณทั้งหลายที่มันกรรมที่มันมัดที่มันผูกอยู่ในใจของเรานะเปลี่ยนเปลี่ยนวาระจัดจิตใจหรือเมื่อใจเข้าถึงพุโทโธแล้วใจเข้าสูงความสงบแล้วมันจะเปลี่ยนวาระทันทีาบางคนใน้ขณะที่จิตใจยังไม่ได้สงบแล้วก็เป็นสมาธินี่น เป็นคนตานีเหนียวนั่นเป็นคนก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มากจัดเหลือเกินแต่เมื่อใจได้รับความสงบเป็นสมาธิเข้าถึงมรรคผลแล้วกลับกายตรงกัางคามเนี่ยมีแต่เป็นการเสียสละใจบุญสุนทานในทุกอย่างทําทุกอย่างเป็นไปได้เลยที่มันปรับตัวได้อย่างนี้เรียกว่าแก้กรรมสิ่งที่ชั่วนั่นออกได้เลยเมื่อก่อนเคยตานีเหนียวเนี่ยนะไม่ตาหนีเหนียวเน่นแล้วกลับปรับตัวได้ ยันเราเจะเอาความดีแค่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นไม่พอแลทานก็ดีศีลก็ดีให้ผลไม่แน่ให้ผลไม่แน่ถ้าทํำน้อยถ้าทํามากอาจจะนึกระลึกถึงได้ใกล้ถ้าว่าใกล้เวลาใกล้ตายนะถ้าใกล้ตายนึกถึงบุญกุศลนึกถึงทานถึงศีลที่ทเราได้สร้างได้ทำ ก็ต้องรับรับผลแห่งบุญแห่งทานและศีลนั้นทันทีแต่พอต ร, ง ก, รกงการข้ามทํากาลกิยาหลงกาลกิยานึกไม่ได้นึกถึงบุญกุศลที่ตั้งไม่ได้แต่ดันไปนึกถึงบาปนิดๆหน่อยๆนั่นก็เอาบาปนั่นก่อนเสร็จแล้วนั่นเรียกว่าเป็นการให้ผลไม่แน่บางคนอาจจะระลึกถึงตัวเองนะนึกถึงความดีเบื้องต้นได้มีตัวอย่าง ว่าเจ้าสากยะซึ่งเป็นพญาติของพระพุทธเจ้าเืิมน้ำจันเป็นประจำ น, น้ำจันก็คือสุลากินเหล้าเป็นคนขี้เหล้าของนในหมู่พญาติทั้งหลายอื่นเขาไม่เป็นคนขี้เหล้าเนี่ยเขาก็ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันได้ตามสมควรบางเหล่าก็ได้บรรลุปเป็นพระอิบคอน ต่อมาต่อมาที่ในตอนท้ายชีวิตของเจ้าสากยะนั้นเกิดป่วยไข้ไม่สบายก็ไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แนะนํรราคําสอนบอกว่าเออที่ท่านเป็นอย่างนั้นก็เพราะท่านเป็นผู้ดื่มสุราละเมลัยมันเกิดโลกจากสุราละเมลัยนั่นแหละให้หยุดเสียแคก็ได้เชื่อพุทธจ้าเชื่อพุทธเจ้าก็ปฏิญาณรักษาศินห้าบริสุทธ ฟังเทฟังธรรมตามสมควรแกดก็ได้บรรลุเป็นพระอริบุคคลชั้นโสดาบันไม่ช้าแก่ก็ตายพอตายแล้วเนี่ยหูพญาติทางหลายประชาชนนักไปทูลถามผู้ทีเจ้าดีไหะบอกว่าเจ้าขี้เล่าคนนั้นตายแล้วไปที่ไหนพระเจ้าตอบนี่เจ้าว่าโอ้เจ้าขี้เล่าหนึ่งมันปรับตัวได้แล้วเป็นพระอริบุคคลบรรลุเป็นพระอริบุคลบลบคลแล้วไปสวรรค์ชั้นทูติน้น ทีนี้เราพญาธทั้งหลายที่ยังไม่ได้มรรคได้ผลแต่ว่านับถือพระดีเจ้าก็พกกากันเฮโลขึ้นมาว่าเ อ, อ้ถ้าว่าเจ้าขี้เหล้าองค์นั้นมันได้โสดาบันแพวกเราก็ได้เหมือนกันนะเฮ้ยพวกเรายังทําดีกว่าเจ้าขี้เหล้าหนึ่งเจ้าขี้เหล้ากินแต่เหล้าเงินพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราก็คนที่จะเป็นพระโสดาบันอย่างที่พระดียวกายก่อนนะพดีเจ้าก็เลยโต้ตอบว่าเออ กระหมูเธอจะประมาทเป็นคนขี้เล่าไม่ได้แล้วเพราะว่าคนขี้เล่ามันครั้งแรกมันเป็นคนขี้เล่าจริงๆล่ะแต่มันปรับตัวแก้ไขปรับกลับตัวได้นะเมื่อกลับตัวได้แล้วมันก็ปฏิบัติธรรมอย่างอกกิตช่นด้วยจนได้บรรลุมรคผลไปแล้วแต่สําหรับหมูท่านยังไม่สา้ารบรรลุมรควาล น, นั่จะไปประมาทไอ้นคนขี้เล่าได้ไม่ได้เหมอนกันนี้ตัวอย่างคือเบื้องต้นคนนั้นทําความชั่วทำไม่ดี แกมาภายหลังแนละ้กลับตัวปรับตัวได้ก็แก้ไขได้แต่ว่าถ้าว่าเพียงกลับตัวเพียงมาให้ทานักษาสินกันว่าวัานนยอย่างเดมมันยังไม่ไหลมรรคผลมันก็จะแก้กรรมต่างๆที่ได้ทํานั้นม่ได้เพราะว่าในบรรลุมรรคผลแล้วมันสามารถที่จะแก้กรรมเวรทั้งหลายนนะันให้หมดสิ้นไปได้ถ้าถึงอรหันต์แล้วเมือ่อใดก็หมดทั้งนั้นทำที่นํามากล่าวนํามาแสดงนี้ก็มากล่าว แสดงให้ญาติโยมทั้งหลายผู้มาฟังธรรมและมารักษาศีลธรรมอย่างนี้เพื่อ น, นําไปไข่คนพิจารณาและก็ปรับตัวเองเพียรพยายามที่จะสร้างกุศลสิ่งนี้คือการทำภาวนานะให้ใจของตัวเองเพียรพยายามที่จะทำใจให้สงบไพเราะไม่ใช่ของอยากถ้าเพียรพยายามทําทุกวันทุกวันก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตัวนนอนมาถึงวันพระเราก็ทํามากหน่อย โดยก า, ายรไหวพิเศษถาว่าก็นั่งรับตัก็ภาวนาพุทโธอันเดียวนะไม่ต้องอะไรอื่นหรอกน้อมใจเข้ามาสุดจุดนึกพุทโธพุทโธพุท โ, โธบังคับจิตซะก่อนถ้าเราบังคับใจอย่างนี้มันจะร้อนร้อนทีเดียวให้ทนร้อนนั้นน่ะมันจกเหย็ดถ้าไม่ร้อนแล้วมันไม่เย็นต้องทําใจให้ร้อนคือเราประคองความรู้สึกมาไว้ในจุดเดียวเรานื้พุทโธอย่างนั้นอ่ะมันก็ร้อน ทีนี้เมื่อมันร้อนเต็มที่เราก็หยุดไม่ต้องว่าพุทโธ ร, รักษาพุทโธที่รักษาความรู้สึกนั้นไว้ด้วยสติควบคุมรักษาเมื่อเราทําอย่างนั้นมากเข้ามงแฉก็ลงสู่ความสงบเมื่อลงสู่ความากากงสงบมันมก็รู้อยู่ได้ทีนี้ไม่ไปแร้วทีนี้มันจะคิดกดแกร่งต่างๆมันไม่ไปแล้วเียบก่กคราวนี้สติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วในจิตนั้นเกิดขึ้นเองเลยไม่ต้องไปท่องเป็นสิ่งที่ทําได้ทุกคน ขอแต่ใช้ความเพียรพยายามวิเจ้าใช้คําว่าวิเดเยนะทุกขมะเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรความพยายามความเพียรความพยายามหมถึงทําสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทไม่แหย่ทานนะไม่รักษาศีลนะจะเอาภาวนาอย่างเดียวยังไม่ได้ต้องประกอบกันทั้งสาประการนั้นนั้นทำที่นั่มากรานำมาแสดงก็ขอยุติไว้เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการและชนิ